أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا أدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل ا بال عظيم الع الع اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد باد الرضا وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إ ل ا, إ الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد ا بد ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليذهر ه ه ه على ل ي ا ي ยืน ه ิรัมุ่อ ل ลตินิคุลลี ك ิวลาว ر ะฮั ر คา ي ิลุนรับชี้ ا ห้ ل ั ا ن ั่งเดี๋ยวและสั่ง ي ห س ฉันทำตามคำสั่งของฉัน ب ا و พระเจ้าขอให้เราไ ه ้รับ ا วา ل เมตตาจาก ا ل ะองค์อย่างเต็ ا ที่และเป็นธรรมแล ريم في س ุรทัศน ج อั ل ฟาต์ข้อ10ถ้าดูด้วยตาของคุณแ ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของการอถาธิบายอัลกุรอานในสุรตุลฟัสพี่น้องที่รักยิ่งครับในสุรตุลฟัสมูโฟ เ, เราได้พูดถึงเนียมต่ต่างๆที่พวกลอสุบฮานูอัตลานั้นมอบให้กับมนุษย์แล้วก็กลุ่มชนต่างๆที่เขาได้รับความโปรดปานมากเป็นพิเศษซึ่งผลก็คือว่ากลุ่มชนส่วนใหญ่นั้นเขาก็เลือกตอบกลับความเมตตาของพวกลอสได้กับ ความดื้อดึงแล้วก็การไปเสียศรัทธาซึ่งพ่อลอสสุบฮานะหัวตาลาครับก็ได้บอกว่าคุณลักษณะของพวกเขานะเป็นอย่างไรบ้างก็คือเป็นกลุ่มชนที่ว่าไม่ส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงดูหรือว่าให้ความเมตตาให้เกียรติกับเด็กกำพร้าไม่ให้อาหารกับคนยากจนแล้วก็บริโภคทรัพย์สมบัติบริโภคมรดกเวลามีใครตายปุ๊บก็ไปพยายามหาวิธีจะได้มรดกนั้นมาแล้วก็ใช้แล้วก็กินอย่างรวดเร็ว แล้วก็มีความรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายมหาศาลนี่คือภาพรวมทั้งหมดของผู้ที่ฝา่าฝืนต่อพระลอสุภานาหุวาตาละพราด้วยการตอว่างไงครับกัลลากัลลาคือการกล่าวปฏิเสธการบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นการบอกให้รู้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นอย่างไรเป็นการขูเป็นการเตือนเป็นการสำทับให้จับเวณาผู้ที่ใช้สีปัญญา พราบอกคุณเห็นในดุนยาใช่ไหมคุณรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมการที่คุณไม่ให้เกลียดกับเด็กกำพร้าการที่คุณไม่ให้อาหารกับคนยากจนการที่คุณไปขโมยหรือว่าไปแย่งมรดกของใครมาหรือสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิของคุณที่คุณเอามาแล้วคุณก็ลักทรัพย์สมบัติทั้งหมดมากมายมหาศาลขนาดนี้คุณคิดว่ามันดีใช่ไหมกันล่ะพวกเราบอกว่าไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันจะเป็นความสุขสําหรับคุณมันก็เป็นความสุขเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาว อีเธดูเกติลอร์ดูดักเนดักกเปล่าเลยเมื่อถึงเวลาเนี่ยผืนแผ่นดินนั้นดักเกนดักกาจะถูกขยา่าสั่นอย่างรุนแรงจนราบเรียบดักกาคือสัน่นขยา่าจากโลกอย่างที่เราทราบครับในวันอสัสซาะหรือว่าในช่วงของวันสิ้นโลกนั้น ผืนแผดดินจะปิววัน่นทุกสปปรรพสิ่งจะดาวเราเห็นว่ามันร่วงลงมาอันนี้คือผู้ไปเศสศธานะครับไม่ใช่เรา穆斯มนะครับผมผู้ไปเศสศธาก็จะเห็นถึงสภาพความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลกแล้วเมื่อถึงเวลาครับพวกเราก็จะทุกสปปรรพสิ่งนั้นมารวมกันไว้ทั้งหมดอยู่ในพาสของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะถามว่าไหนล่ะคนที่เยื่ยงยโสไหนล่ะคนที่จองหองไหนล่ะคนที่คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไหนล่ะพวกคนเหล่านั้นอยู่ไหนซึ่งก็แน่นอนครับว่า พวกเหล่านั้นก็ได้พบความหายนักกันไปหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาครับพวกลอสซุปฮาเนหวัวตะลาก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยเอามาสร้างมาเป็นผืนแผ่นดินก็สู่เป็นทุ่งมาชัดซึ่งทุ่งมาชัดนะครับจะถูกสร้างมาจากสิ่งทั้งหมดที่พวกลอสเคยสร้างมาแล้วก็มาสร้างเป็นผืนแผ่นดินที่ราบเรียบคือไม่มีที่ลุ่มไม่มีที่ดอนไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าน้ําก็ไม่มี ภูเขาก็ไม่มีทําไมภูเขาถึงไม่มีครับเพราะภูเขานะเนี่ยโพลล์เคยเอามันออกไปจากแผ่นดินเพื่อเป็นหมุดยึดแผ่นดินเอาไว้แต่เมื่อถึงเวลาครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความจําเป็นอีกแล้วก็เหลือเป็นทุ่งราบเรียบไม่มีต้นไม้ไม่มีหนามไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ผืนแผ่นดินจริงๆตามที่โพลล์ซูบฮานูอาตาสร้างมานันตั้งแต่แรกซึ่งในตอนนั้นนะครับผม อะไรก็ไม่มีค่าแล้วจะเป็นทองคำผู้ที่กราบไหว้ทองคำผู้ที่กราบไหว้เงินผู้ที่กราบไหว้ทรัพย์สิสนผู้ที่กราบไหว้เสื้อผ้าผู้ที่กราบไหว้สิ่งที่สวยงามหรือเกียรติยศถึงตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีค่าะไรแล้วเหมือนกับที่ปุณละสุกากล่าววว่าอิซ ja uh ินซิลอรดุซินซาเลฮาวะอัคราทิลอรดุอักวาลาวกาลอินซานุมาฮายวไ่ัดสุอักบารฮนนรบกะอลฮ่าที่เราได้เคยพูดคุยกัน ไปก่อนแล้ว น, น, นิสราซินซานบอกว่าเก่าไงครับเมื่อแผ่นดินถูกสั่นไหวอย่างรุนแรงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยจะถูกขับออกมาถูกขับออกมาหมดเลยว ก, ก็เลยอินซานมาและหามนุษย์ครับเมื่อออกมาครับเขไปบอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยแผ่นดินทำไมขับป อ, อกมาหมด พอมนุษถูกขับออกมาหมดพุณจะตายที่ไหนก็ตามจะตายบนผืนแผ่นดินจะตายในแผ่นดินจะตายในน้ําทะเลเมื่อถึงเวลาก็ถูกกลัวมาแล้วก็ถูกออกมาจากผืนแผ่นดินเมื่อถูกบอกออกมาปุ๊บมันก็เลยบอกทําอะไรเนี่ยทําไมขับแล้วออกมาเนี่ยเยาไมัยินตะไครติสอักบาระฮาบิอันนรบบะกาอัลฮะละฮะผืนแผ่นดินก็จะบอกว่าไงครับนี่คือสิ่งที่นายของเราได้สั่งใช้เราซึ่งพี่น้องที่รักยิ่งครับ ทุกสรรพสิ่งที่พวกลอสุบฮาห์นูรตาลาสร้างจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศารจะมีความแข็งแกร่งจะมีความเข้มแข็งแค่ไหนก็ตาม ต, ามตามา่ตางวกาัว่องค์อสุบฮาห์มอนกับที่พวกนี้กล่าวในสรุราฟุตซีลัดครับตุมมสวรอิลสะสบาย้เปดุคานดุคานุ่ฟะาอ ล, าวล้วาะวัที่ดินินันเอากระหังต่ตยนใ น, ในสรุราฟุตซลัดครับพอบ์บอกให้ครับหลังจากพวกอสุบาห์ก็ได้อิวะ ไปอยู่ยังฟากฟ้าแล้วในสภาพที่มันเป็นควันเนี่ยแล้วพวกล็อกก็ได้พูดกับมันว่ากับพูดกับควันนั้นที่เป็นท้องฟ้าที่ในสภาพเป็นควันนะครับแล้วก็พื้นแผ่นดินพวกล็อกบอกไงครับพวกเจ้าจงมาหาข้าในสภาพของผู้ที่เชื่อฟังหรือไม่งั้นก็ถูกบังคับคือจะมาดีๆหรือจะโดนบังคับประมาณนะครับผมให้เลือกทั้งหมดบอกว่าไงครับก็แล้วแต่อใจนาตาอีน ทั้งหมดบอกว่าไงครับเราจะมาหาพระองค์ในสภาพของผู้ที่เชื่อฟังสุบฮานอวะสุบฮานอวะครับพี่น้องทุกสปปรรพสิ่งครับเมื่อถูกผู้ล้อให้เลือกว่าจะมาดีๆไหมหรือว่จะยังไงเขาก็ได้บอกว่าเราพร้อมที่จะมาในสภาพที่เชื่อฟังเช่นเดียวกับมาลาก้าครับที่พร้อมฟังทุกคําสั่งใช้ของผู้ล้อเช่นเดียวกับก้อนหินเช่นเดียวกับอะไรก็ตามที่มีการสวดีต่อผู้ล้อสุบฮานอวตาเช่นเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในโลกนี้มีเพียงสองอย่างเท่านั้นครับที่ดื้อดึงกับพวกลอสุบฮานุอาตาแหละสิ่งมีชีวิตสองอย่างที่ดึดงต่อล้อก็คือมนุษย์กับยินวาลกัสอาฮิตนาอิลาอาเดมามิงกาบลูฟานาซีวาลามนาจิดลาหูอัสมาเหมือนกับที่ว่าด้วยกล่าวนะครับว่าเช่นเดียวกับอาดัมที่เราได้ให้คํามั่นสัญญากับเขามาแต่การก่อนที่พวกลอกเคยเอาคำมั่นสัญญาจากอาดัมว่าอาดัมเจ้าอย่าฝ่าฝืนข้านะ เจ้าอย่าเชื่อฟังชัยตอนอย่าเชื่อฟังอิบลาิมนะมาเป็นศัตรูของเจ้าเจ้าอยู่ในสวนนี้เจ้าอยากทําทอะไรเจ้าทำไปเลอาดัมเจ้ากับเขอ่กับภรรยาของเจ้าอยากทําทอะไรทําไปในสวนนี้ขอแค่ต้นไม้ต้นนี้เจ้าอย่าได้เข้าไปใกล้มันเป็นบททดสอบถ้าเป็นลูกสาวประสิงเชื่อฟังกอลสุบฮานูอาตาละแต่ท่านอบีบดัมอย่างที่เราทราบก็คือท่านก็ได้พลาดเพราะโดนอิบลาฮิมหลอกล่อตัวท่านกับภรรยาของท่าน จนต้องฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์หหละซุบฮานะฮุวอัลตะอัลละพระองค์ใช่คำว่าไงครับวลาลัมนนจิละหูอัสมาซึ่งเราพบว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่มากอาพอบททดสอบของผู้รอดมันจ้อใช้ความเข้มแข็งของจิตใจครับพี่น้อง เหมือนกับเราในปัจจุบันเราโดนบททดสอบที่มากมายอาจจะโดนในเรื่องของสุขภาพอาจจะโดนทดสอบในเรื่องของการมีหนี้สินอาจจะโดนทดสอบในเรื่องของน้ําท่วมในเรื่องของความแห้งแล้งอนทดสอบในเรื่องของการจากไปของคนที่เรารักหรืออาจจะโดนทดสอบในรูปแบบใดก็ตามในเรื่องของความกลัวในเรื่องของความหวาดผวาในเรื่องของความสิ้นหวังในเรื่องของความท้อแท้ในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการจะได้ ทุกบททดสอบของพวกรัสูบะฮานูอตาหนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะผ่านไปได้เพราะคนหลายๆคนครับในช่วงแรกที่โดนบททดสอบน่ยตีโพลตีพายด่าว่าหรือบางคนเสียพูดเสียคนบางคนบุคคลที่รักเสียชีวิตครับอินาลีลาวอิน่าอิเลอย์ไรจูนแต่ว่าเขาตีโพลตีพายแล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะถึงขั้นกับกล่าวว่าร้ายพวกรัสูบะฮานูอต า, าเลยก็มี ทำไมพวกเราให้เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเป็นคนดีเนะี่ยทำไมไม่คนนั้นตายก่อนทำไมคนนี้เป็นคนชั่วมันยังมีชีวิตอยู่หรือสารพัดที่เป็นความคิดที่มันเป็นคําพูดที่ออกมาจากความคิดชั่ววูบที่เขาจะมาเสียใจในภายหลังวาเลมนาจิธลาหูอัสมาอายะนี้วักนี้ที่พวกเขาพูดถึงนบีอาดัมเนะี่ยพวกเราพูดถึงพวกเราทุกคนเพราะพวกเราเป็นลูกหลานของอาดัมแล้วพวกเราทําความผิดพลาดมากกว่านะบีอาดัมอย่างมากมายมหาศาล ความผิดที่เราทำโดยที่เรารู้ตัวมันเกิดจากความที่เราขาดความมุ่งมั่นพี่น้องที่รักมนุษย์เราเวลาทำความผิดเนี่ยหลักๆจะมีสองกรณีหลักๆนะครับจะมีอยู่สองกรณีกรณีแรกก็คือทำโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็ทำไปอันนี้อินชาอัลลอฮ์พอรล้อไม่เอาผิดอันที่สองรู้แต่ก็ยังทำ รู้ว่าผิดหรือว่าเราจะเกียดรู้ว่าทําแล้วพวอเราจะไม่พอใจแต่ว่าด้วยกับผลประโยชน์ในดุนยาหรือว่าอะไรก็ตามที่มันหลอกล่อเราหรือว่าด้วยกับความอ่อนแอในหัวใจของเราทําให้เราทํามันไปนี่คือสองสาเหตุหลักๆครับในเรื่องของการถูกบังคับในเรื่องของการเมาของอะไรอันนี้เราไม่พูดถึงพูดถึงประเด็นสองหลักอย่างสองอย่างที่เป็นสองอย่างหลักๆที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราทำความชั่ววาลัมนาชิตลาหูอัสมา เราไม่พบว่าเขานั้นมีความมุ่งมั่นพอชีวิตเราต้องมีความมุ่งมั่นครับนี่คือเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสโลซัรรมหนึ่งในดัาที่ท่านขอเป็นประจำคือดัวบทไหนครับยามุกลิบัลกูลูบตะบิดกลบีอัลารีนีโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจหัวใจเรามันเปลี่ยนได้เร็วมากพี่น้องหัวใจเรามันเปลี่ยนได้เร็วเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเลยบางทีเนี่ยบางคนบางคนตั้งแต่เด็กเป็นคนดีมาเสียคนตอนแก่ หรือบางทีกำลังพูดจันอยู่หยกหยกเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นคนดีแต่พิบตาเดียวไปทําสิ่งที่ฮารอมไปทําสิ่งที่ไม่ดีและทิ้งไว้ยิบต่อวาลัมเนชิตลาหูอัสมาเราไม่พบว่าเขานั้นมีความมุ่งมั่นพออยายะนี้เป็นอยายะที่เตือนสติพวกเราทุกคนโดยที่ไม่เว้นเลยนะครับผมเป็นอยายะที่เตือนสติพวกเราทุกคนโดยที่ไม่เว้นแม้แต่คนเดียวพวกเราทุกคนที่ยังเป็นคนที่อ่อนแอยังเป็นบุคคลที่มีความผิดพลาด พี่น้องที่รักยิ่งครับเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พุทธลอสุภาโนตตาลาสร้างนั้นต่างมีความยอมจำนนต่อพุทธลอสุภาโนตตาแหละถ้าใช้คามุสลิมก็คือเป็นมุสลิมหมดเลยมุสลิมในความหมายที่ว่าเป็นผู้ยอมจำนนอย่างแท้จริงพระเจ้าบอกให้ทําอะไรทำตามนั้นอย่างที่บอกแท้จะมียกเว้นก็คือมนุษย์กับยินมนุษย์เนี่ยก็ความผิดพลาดเริ่มตั้งแต่บางพระบุตคนแรกของพวกเราแล้วก็ภาคมาละท่านอับยาดัม แล้วจานล่ะพวกจานยานยา น, ยานก็คือบอมพู้หุษของยินพวกของยานหรือพวกของยินก็เช่นเดียวกันครับเริ่มมาตั้งแต่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ความผิดพลาดใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็พลาดกันมาเยอะแล้วแต่ว่าพอพวกลัทธิซูบฮัลตาราสร้างไปอาดัมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับไวต์คนนานลิลมาเลกติสจดูดีอาดัมาภาษาจาูอิลลัยบลิสอบาบะเมื่อเราได้สั่งกับมาเลย์กาว่าจงกลับต่ออาดัมสิ เราสร้างอาดัมมาด้วยกับเนื้อของเราแล้วเราก็ได้ให้เกียรติลูกหลานของอาดัมดวยรวมทั้งอาดัมพวกลอฮ์ให้ท่านมาเ ล, ลก้าทุกท่านที่อยู่ในที่นั้นกราบกับนายเรืออาดัมเป็นการให้เกียรตินายอาดัมอิบราฮิอยู่ด้วยครับอบรอาฮิอาบาฝ่าฝืนเห็นไหมครับคำสั่งของพวกลอฮ์ขนาดอยู่ร่วมกับบรดามาเลาก้ายังฝ่าฝืนพวกลอฮ์ซึ่งก็เป็นต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหมดถามว่าอิบราสิมเลือกที่จะเป็นคนดีได้ไหมเลือกได้ครับพวกเราไม่ได้บังคับให้ใช่ว แล้วพวกเราล้อก็ไม่ได้บังคับให้ใครเป็นคนดีพวกเราต้องเลือกแล้วพวกเราล้อก็จะกําหนดให้มันเป็นไปตามที่เหมาะสมกับที่เราเลือกเพราะฉะนั้นหน้าที่เลือกเป็นของเรานะครับโยนให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้เช่นเดียวกันครับเมื่ออิบลิสเป็นศัตรูที่ชัดเจนพวกเราล้อเตือนแล้วนะเตือนกับเนบีอาดามเตือนกับทุกคนแล้วพวกเราบอกใหครับบอกคุณเนยาอาดามูอินฮะอินฮะดาอูอุลลกวะซิซูติก ฟะเลยุคขาริชนนั่กรุมาในนรนี่ฟะตัชในสตอฮาครับผมฟะลักาลเนี่ยครับแล้วเราก็ได้พูดกับอาดัมบอกว่านี่แหละคือศัตรูของเจ้าแล้วกับภรรยาของเจ้าอย่าได้ให้มันเอาเจ้าทั้งสองออกไปจากนรกนะแล้วพวกเจ้าจะพบกับความยากลำบากฟะตัชกอพวกเราก็เตือนเพราะพวกเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพวกเรา้ข้อมูลที่สาคัญกับนบีอาดัมไปแล้ว แล้วผู้ลอสให้น บ, บีอาดัมเลือกว่าจะเลือกฟังคําสั่งของผู้ลอสหรือจะมีความมุ่งมั่นที่อ่อนแอแล้วก็จะแพ้ภัยให้กับเชยตอนซึ่งผลก็คือก็แพ้ให้กับเชยตอนพี่น้องเชยตอนอย่างที่ผู้ลอสสุบฮานอวตาระบอกไว้เป็นศัตรูที่ชัดเจนมันจะทําทุกอย่างให้เรานั้นฝ่าฝืนผู้ลอสสุบฮานอวตาระ ต, ต่อให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำดีแค่ไหนถ้ามันรู้ว่ามันไม่สามารถห้ามเราได้ ถ้ามันรู้ว่าเมันทําให้เราทําชิวิตไม่ได้แล้วถ้ามันรู้แล้วว่ามันไม่สามารถทําให้เราเลิกทาอิบาดะต่ออัลลอฮ์ได้สิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับทําให้เราลืมทําให้เราลืมหรือทําให้ดุนย์ยาเนี่ยมาดึงเราให้เราลืมให้เราไม่มีความสามารถเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกับนบีมูซาตอนที่ท่านไปตามหานบีเคยเด็ถูกไหมครับตอนที่ says, ท claro. ่านไปตามหานบีเคยเด็เพราะท่านอยากจะเรียนรู <relaxation. S 1> <ห emia. S 2> ้ความรู้ที่โบรล์สอนนบีคยเด็บแต่ไม่ได้สอนกับท่านนบีมูซา ท่านก็บอกกับคนรับใช้ของท่านว่าเนี่ยนะเราเดินทางไปนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดให้รีบ ม, มาบอกฉันเลยเพราะนั่นแหละคือสถานที่ที่อัลลอฮ์รับปากว่าเราจะเจอกับขีดเดบท่านอบีุลมซาก็ย้ำแน่นอนครับคนรับใช้ของท่านอัลลอฮ์แต่ลาอาลัมบานก็ว่านี่แหละก็เป็นระบีคนตัดมาจากระบีมูซาแต่ประเด็นก็คือเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อถึงเวลาครับก็ทั้งคู่ตอนที่เดินทางไปเพื่อตามหาระบียบดเบเนี่ยก็เดินทางไปตามเลียบชายหาดไป สัมภาระที่เอาไปนะครับก็มีปลาเป็นสเสบียงไว้กินระหว่างทางปลาก็กินเท่าที่จำเป็นครับก็มีปลาที่ตัวหนึ่งที่เอามากินก็กินไปได้ประมาณครึ่งตัวก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่กินก็เก็บไว้กินตอนเช้าหลับกันก่อนทีนี้ครับพอถึงเวลาไปถึงจุดจุดหนึ่งพอเดินทางไปก็เริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็พักกันพอพักกันปุ๊บปลาที่อยู่ใน ที่เก็บอาหารเนี่ยที่มันโดนกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเหรอพี่น้องเพื่อให้มันกลับมา ม, มีชีวิตที่มันกระโดดออกมาแล้วก็กระสือกสนหายไปในทะเลแล้วก็หายลับไปเลยคนรักใช้ของนบีมูซาพอเห็นปุ๊บโอ้เรื่องนี้ต้องรีบบอกเลบีมูซาแต่เลบีมูซาก็หลับอยู่ท่านก็เต็มใจไม่อยากปุ๊บแตก็โอเคเดี๋ยวรอเบีมูซาตื่นถต่ว่าท่านผิด ไ, ม, ไม่ผิดเพราะเบีเหนื่อยด้วยความที่รักเวลาเรารัก คนที่เรารักมากๆเราเห็นเขากำลังพักอยู่เราก็อยากให้เขาได้พักสบายก่อนเขาใก็ใ้นบีมูซาพักพอช้ามานาบีมูซาก็บอกเอาป้าเตรียมตัวเดินทางเอาจัดสัมภาระเอาพรุไปพรุ่มาพรุ๊งเดินทางลืมลืมไปเลยว่าจะบอกนบีมูซานี่คือสถานที่ที่อัลลอฮ์นัดไว้นี่คือจุดนัดแต่เขาลืมครับเป็นคนดีด้วยพอลืมปุ๊บพอถึงเวลาเดินทางได้ระยะหนึ่งนบีมูซาก็บอกว่า เราเดินทางมาได้ช่วงเวลาหนึงแล้วเราเอาอาหารมากินกันพอพูดถึงอาหารปุ๊บอ่าคนรับใช้ชิดออกเลยโอ้นาบีครับนาบิอเลสผมลืมบอกท่านเลยเมื่อคืนเนี่ยปลาที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมันกลับมามีชีวิตแล้วมันก็หายพัสทะเลไปแล้วคือตอนนี้ไม่มีข้าวกินะมี๋ยตมูซาก็บอกนี่แหละคือที่ที่ยวละ ร, รับปากไว้ประเด็นครับ คนรับใช้ของนบีมูซาเนี่ยในยักุราเนี่ยใช้คำว่าไงครับว่ามาอันซานียอิลัชชัยตันอันอัสกูรอไม่มีอะไรทําให้ผมลืมที่จะบอกท่านเนี่ยนอกจากว่าชัยตอนมันทําให้ผมลืมแปลว่าพี่น้องที่ละครับชัยตอนสามารถทําให้เราลืมได้ด้วยในบางอย่างที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้มันจะทําให้เราลืมได้เพืได้เห็นไหมครับมันพยายามทุกอย่างให้เราฝากหืออัลลอ ให้เราทําชีริกให้เราทํำบาปใหญ่ให้เราทิ้งวาญิบหรือถ้าเราทำวาญิบมันก็จะพยายามให้เราทําให้มีคุณภาพให้แย่ที่สุดถ้าเราทำวาญิบแล้วมีคุณภาพดีๆมันก็พยายามให้เรานั้นโอ้อวดกับผู้อื่นถ้ามันทําให้เราโอ้อวดไม่สําเร็จมันก็พยายามไม่ให้เราทําสิ่งที่เป็นสุนนะไม่ให้เราทําสิ่งที่เป็นมันุบถ้ามันทําไม่ได้อีกมันก็พยายามให้เราเอาสิ่งนั้นไปโอ้อวดกับคนอื่นหรือให้คนอื่นมาชมเราให้เราหลงละเรลงหรือถ้ามันทําไม่ได้อีกมันก็ทําให้เรานน้นลืมไปซะ ให้กับวุ่นกําลังตั้งใจอาจจะลุกมาละหมาดดูฮาเอามีงานเข้ามาเอาลูกค้องอาจจะต้องทำกับข้าวเอาคนนั้นจะไปคนนี้จะมาลืมลวดลืมบางคนทํางานหนักนัเหนื่อยครับหัวกำลังจะถึงหมอยังไม่ได้ละหมาดอีชาเอาแป๊บหบนึ่งขอพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลุกมาละหมาดลืมยาวไปถึงเวลาละหมาดไปเฉยๆวามาอันซนนิฮิลเชตตานุอันอสโกรา ไม่มีอะไรทําให้ผมลืมนอกจากไชต์ตอนน่ยที่มันทําให้ผมลืมที่จะเตือนท่านแปลว่าไชต์ตอนกับมนุษย์เนี่ยมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นไม่ใช่ผูกพันในด้านดีนะครับเป็นความผูกพันที่อยู่บนความเกลียดชังแล้วก็ความอ่อนแอเหมือนในสุราจินครับว่าอนหูกะนริจารุมินัลอินซียาอูดูนบิริจาริมินันจินฟะจัดูหุมรอฮะกอพวกเราสบายใจกาวในกุรานครับ ว่ามีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มหนึ่งของยินขอความช่วยเหลือเล่นเสลเล่นสเนสศาดเล่นคุนสาปัจจุบันก็ยังมีครับผมแทบจะทุกพื้นที่ในโลกก็ยังมีการเล่นเสศาดมุสลิมนะครับผมพูดถึงมุสลิมนะที่ว่ามีการเล่นเสศาดอยู่ทางใต้มีไหมมีทางเหนือมีไหมมีกรุงเทพมีไหมยังมีอยู่บางคนก็บอกก็ไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทำชีิตเราทําแต่สิ่งที่ดี แต่เราถ้าเราขอความช่วเหลือจากยินนั่นแหละครับคืออันตรายแล้วเ พ, พราะเพราะกาวเล็กุลารว่าครับซาดูฮ uh um ุมรอฮากอซาดูฮ uh um ุมต่างฝ่ายต่างช่วยกันเพิ่มรอฮากอความหลงผิดมนุษย์ก็เพิ่มความหลงผิดให้กับยินยินก็เพิ่มความหลงผิดให้กับมนุษย์เพราะอะไรครับพอมนุษย์ไปขอความเฉลือจากยิน ยินมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสูงส่งเหนือกว่ามนุษย์ก็จะรู้สึกว่าตนนั้นให้ความช่วยเหลือให้คุณให้โทษได้มีความสามารถมากมายก็ยิ่งยโสไปขั้นต่ำก็ยิ่งยโสแต่ครับวัตสูงไปกว่านั้นก็คือทําตนเป็นชริเทียบเียงกับอัลลอฮ์หรือเหนือผู้อัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาในขณะที่ยินเพิ่มอะไรให้กับมนุษย์ครับเพิ่มความหวาดกลัวแล้วก็เพิ่มความหวังพอมนุษย์มีปัญหาปุ๊บเนี่ยฉันต้องพึ่งนะเพราะทุกครั้งแนตะ่พอพึ่งกับยินต์ต้นเนี่ยทุ บางทีก็อาจจะมาในรูปแบบของการรักษาบางคนก็บอกในฉันรักษาฮาร์ลนหมดเลยด้วยทั้งหมดที่ใช้ก็ถูกรูปแบบทั้งหมดที่ใช้ก็ถูกถูกหมดเลยไม่มีอะไรผิดแต่ถึงเวลาคือหัวใจเขาผูกพันกับยินเรียบร้อยแล้วยินมันไม่จําเป็นต้องให้เราใช้รูปแบบที่ผิดขอแค่มันทําให้หัวใจของเราเนี่ยผิดแค่นี้ก็พอแล้วถึงเวลาผู้หัวใจผูกพันแล้วถ้าฉันใช้รูปแบบนี้นะเดี๋ยวยินจะมาช่วยฉันบางคนอาจจะบอกว่าเราเชื่อว่ า, วาล l l a h ช่วยแต่ว่าลึกๆในใจ เขาเลี้ยงยินอยู่มีการให้อาหารยินอยู่ต้องมีการช่วยเหลือแต่ละตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเอายินมาใช้ครับทุกรูปแบบอันตรายหมดทุกรูปแบบอันตรายหมดเพราะฉะนั้นระวังนะครับระวังกันไว้ถ้าจะขอความช่วยเหลืออย่าลืมเลกาในกุรานเป็นประจำในสุลฟาติฮะตอนที่เราละหมาดเราบอกว่าอิยาการนาบูดูว่อิยาการนัสตาอิน เรากล่าวไหวเฉพาะพระ อ, องค์แล้วเราขอความช่วยเหลือเฉพาะพระ อ, องค์แต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอครับถึงเวลาพอเขาอยากได้อะไรอยากได้ความช่วยเหลือเขาจะขอจากสิ่งอื่นก่อนอัลลอฮฺเสมอไม่สบายหายาก่อนไม่สบายหาหมอก่อนเดือดร้อนปุ๊บหาคนนั้นหาคนนี้ไปหาเจ้าแม่นั่นไปหาเจ้าพ่อนี่ไปหาต้นไม้นั่นไปหาต้นไม้นู่นเวลาอ่อนแอจะขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะละ ถึงเวลาแวแบๆบอาจจะคิดถึงอัลลอฮ์ได้สักหน่อยกันละกันละอิดะดุกะติลอารดูดักกาแต่ทว่าเมื่อแผ่นดินถูกสั่นเขย่าอย่างรุนแรงจนมันไม่เหลืออะไรอยู่ในตัวมันแล้วมันเป็นผืนแผ่นดินที่ราบเรียบไม่มีที่ลุ่มไม่มีที่ดอนไม่มีเนินไม่มีพูกเขาราบเรียบไปหมดเลยอิดะดุกะติลอารดูดักกา ในอัลกุรอานครับถ้าเกิดเรือสระฮะก็มีการใช้คาว่าเดกกะเหมือนกันว่าอิดานุฟกาฟิซูรีนับขตึวาหิดวา่าพุ่ละที่ดินละีบฟดเตาวาหิดเพราะกว่าในกุรอานว่าไงครับผมเมื่อซูรซูรได้ถูกเป่าอย่างที่เราทราบก็คือตอนเนี้ยผสุบฮานวตาลาเนี่ยให้ท่านอิสลามีเนี่ยเอา เขาสัตว์หรือเอาซูดเนี่ยไว้ใกล้ปากแล้วเตรียมเป่าแล้วคือพอเป่าปุ๊บเป่าครั้งแรกทุกอย่างเกิดความหายนะซึ่งก็มีคีราบหนึ่งว่าใช้การว่าต้องเป่า2ครั้งหรือ3ครั้งแต่ที่นนแน่แน่ก็คือมีสองครั้งครั้งแรกคือเป่าปุ๊บทุกอย่างเกิดความหายยะน่าไปหมดแล้วเป่าครั้งที่สองทุกอย่างก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพในสภาพที่พวกลอสซูปาในตาทรงประสงค์ในกุฎานับัดะนุฟกฺะฟิซซูรินุฟกะตัวหิดะวะฮูมิลาติลอัรดู เวิลชีบาลูแล้วแผ่นดินกับภูเขาก็จะถูกยกขึ้นมาฟอรูคัตตอด็กกะตะักกะตตวาหิดาแล้วทั้งหมดก็จะถูกนํามากระแทกนํามารวมกันภูเขาแผ่นดินที่เคยแยกกันก็จถูกเอามารวมกันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแผ่นดินกลับไปเป็นในสภาพเดิมไม่มีความเมตตาอะไรที่เกี่ยวข้องอีกแล้วอยู่ในผืนแผ่นดินเพราะอย่างตอนนี้เราอยู่บนโลกใช่ไหมครับหรือบนผืนแผ่นดินซึ่งเต็มไปได้วยความเมตตาของพู้รัสซุบฮานวอัลลาห์มีต้นไม้ มีผลไมกลากไม้มีผักมีอาหารมีสิ่งสาราสัตว์มีแมลงมีระบบนิเวศให้ความช่วยเหลือเราให้ความสบายกับเราให้ร่มเงากับเราแต่โลกหน้าแผ่นดินก็คือแผ่นดินไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีแม้แต่น้ําเพราะน้ําคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตอนนี้มันไม่จําเป็นอีกแล้วเหมือนกับที่ล็อกกาเบราร์บอกว่าน้ำเงินไมค์คุณละใช้อินไฮเราได้ให้ทุกสิ่งมีชีวิตนั้นถูกสร้างมาจากน้ําจุดเริ่มต้นคือน้ําแต่โลกหน้าไม่เหลือน้ําแล้ว ไม่มีแล้วแต่ยังคงมีความหิวแล้วกระหายอยู่งั้นแหล่งน้ําจะมาจากไหนล่ะครับก็ต้องมาจากท่า น, น้ําอย่างเกาซัพท่า น, น้ําของท่านอบีมอัสลารซัมที่ไหลมาให้กับท่านอบีแล้วก็ประชาชาิของท่านอบี๊มอัสลารซัมได้ดื่มกินกันด้วยก็คือนบีแต่ท่านจะมีบ่อน้ําของท่านที่จะให้ประชาชาติของท่านเหล่านั้นได้มาดื่มซึ่งประชาชาติของนบีมูซามีคนมาดื่มเนี่ยมากแบบมืดฟ้ามัวดินนบีแต่ละท่านก็มืดฟ้า บางท่านก็อาจจะมีน้อยหน่อยแต่ของท e ่านนับีุมัมหมัสุลต่านนี่คือมิคนที่มาดื่มในเยอะแยะมากมายมหาศาลก็ขอรัาจากพู้ลอสซุบฮานะฮูลาให้เรานั้นได้มีโอกาสดื่มน้ำจากน้ำในบอกของท่านนับีุมฮัอหมัสุลตาเป็นน้ำที่เมื่อใครก็ตามดื่มเขาจะไม่หิวไม่กระหายต่อไปครับว่าอินละอัรตูมุดเดชว่อัลกัตมาฟีฮะวะทัคัลละ เมื่อพื้นแผ่นดินเนี่ยได้ถูกตีแผ่ให้ราบเรียบวัลกลัตมาฟี่ฮาวตตะคลัตแล้วมันก็ได้ขับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมันออกมาแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมนุษย์ในรอบสุดท้ายที่ถูกออกมาจากดินวัตะคลัตจบแล้วไม่มีความสัมพันธ์เลยกับดินแล้วตอนเนี่ยเราถูกสร้างมาจากดิน รเราถูกสร้างมาจากดินเรามีรูปลักษ์ที่มาจากดินคือท่านอบีอาดัมจุดเริ่มต้นของท่านก็คือมาจากดินแล้วพวกเราก็เกิดมาจากระบบที่พ่อรัสสร้างระบบสืบพันธุ์ธรรมดาแต่จุดเริ่มต้ น, นเราคือดินแต่เมื่อถึงเวลาครับความสัมพันธ์ความผูกพันที่ว่านี้มันไม่เหลือแล้วแต่ค้อรัดมันจบสิ้นไปแล้วเราก็จะได้รูปลักษ์รูปร่างที่พ่อรัสสุภาตราเตรียมให้กับเรา เธอไม่ใช่รูปร่างของชาวสวรรค์ก็จะเป็นรูปร่างของชาวนาลกวันาโอนดูบิเลเมนได้เลกแล้วก็มีทั้งรูปร่างที่อับ ป, ปลกักรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวรูปร่างที่เน่าเหม็นรูปร่างที่นดงามอันนี้แหละครับในดุนยาใครเป็นยังไงเนี่ยจะรู้กันตอนอาเคโรรู้กันตอนจบแล้วเป็นทาสของทรัพย์สินไหมหรือเป็นบุคคลที่พรว่าให้ความเมตตาแล้วหญิงโสไม่จะเป็นกลุ่มซามูสจะเป็นกลุ่มอาร์ตจะเป็นฟิรู จะเป็นกลุ่มชั่วร้ายใดๆก็ตามที่มีความยิ่งใหญ่มีอำนาจมีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีคนกราบไหว้มีคนนับหน้าถือตามีคนให้เกียรติเป็นคนที่มีความยโสเป็นคนที่มีความเกียรติว่าเป็นคนที่ฝากฝืนอัลลอฮ์ไม่รู้คุณคุณของผู้อัลลอฮ์โลกหน้ารู้กันแล้วว่าอันนาละหุนซิกการ์โลกหน้ารู้หมดแล้วแล้วก็จะคิดกันได้หมดแล้วแต่ผู้อัลลอฮ์สุภานตะลากล่าว่าไงครับมันจะยังประโยชน์อะไรล่ะที่ไปคิดได้ในตอนนั้น ยู่รูยาอะไรจนหีกระเ ด, ดมตูดิยาตีซึ่งเขาเคยบอกว่าไงครับฉันหวังเลยเกินว่าฉันน่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันยังประโยชน์ให้กับฉันครับพี่น้องที่รักยิงครับเจนล่อีด่ดุกกะติลอาร์ูดัด ก, กันดั ก, กมเมื่อเผนพื้นประดินราบเรียบทุกอย่างราบเรียบแล้วนั่นแหละคือจุดจบของทุกสิ่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิง่ง เราเตรียมตัวพร้อมแค่ไหนในช่วงเวลานั้นเราต้องให้คำตอบกับผู้ลอสุบฮานหัวตาลาด้วยกับตัวของพวกเราเองแล้วสิ่งที่เราเลือกเราจะได้ไปเห็นมันครับอะกูลูกาลีฮะดะวะสักลูลอฮฮานีวะละกุมบริสัยลมุสลีมีนามินคุณลสักลูอินหุบะกฟุรอะห์ริฮิมสุบฮานักัลลอฮมัยรฮัมดิกะอัชฮัดวัลลายลายละนตะสักวยัตูบลซามสุมอัลลอฮวะบรกาต